การปฏิบัติธรรมคำคำนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายถ้าเป็นสัก3า4สิี่สิปีก่อนนะก็อาจจะสงสัยว่าคำนี้มันหมายความว่าอย่างไรแต่ว่าไอความเข้าใจหรือว่าความคุ้นกับคำนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่า จะมีความเข้าใจที่ถูกนะเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาพูดถึงการปฏิบัติธรรมก็จะนึกถึงในบางแง่บางมุมเท่านั้นโดยเฉพาะเรื่องการทำกรรมฐานหรือภาวนาที่จริงแล้วเนี่ยปฏิบัติธรรมมันมีความหมายที่กว้างในเ่าเการประพฤติธรรมก็ได้ การประพฤติ ธ, ธรรมก็มีตั้งแต่พื้นฐานก็คือการให้ทานการให้ทานที่เ็เป็นปฏิบัติธรรมนะถ้าวางจิตวางใจได้ถูกอย่างที่ผู้ไว้เมื่อวานการรักษาศีลก็เป็นการปฏิบัติธรรมถ้าว่ามันเป็นการลดล ะ, ะโลภะโทสะโมหะหรือว่าขัดเกลากิเลสในใจตน ภาวนาหรือการทำกรรมฐานนี่ก็ก็ใช่นะอันนี้การทำกรรมฐานเนี่ยมันมีมากมายหลายวิธีนะจะไปเข้าใจว่ามีวิธีเดียวอ่พระอธกฐาอาจารย์หรือว่าครูบาอาจารย์สมัยก่อนท่านก็จำแนกว่ากรรมฐานนี่มีสี่สิบนะสี่สิบวิธีาการระลึกถึง พระพุทธพระธรรมประสงค์ก็เป็นปฏิบัติธรรมได้ก็เรียกว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติการระลึกถึงความดีที่ได้ทำก็เรียกว่าการปฏิบัติธรรมได้นี่เรียกว่าศีลานุสติการระลึกถึงเทวดาอารักษ์ที่เป็นตัวทแทนความดีที่ทําให้เกิดความอบอุ่นใจ ก็เป็นการปฏิบัติธรรมหรือกรรมฐานได้อันนี้เรียกว่าเทวตานุสตนะิหรือว่าการระลึกถึงการให้ทานการเผื่อแผ่แบ่งปันก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งเรียกว่าฌานนุสติรวมถึงการระลึกถึงความตายที่จะต้องเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งก็เป็นการปฏิบัติธรรมได้นะเรียกว่ามรณะสติหรือมรณานุสติ การแผแ่เมตตาการเจริญภาวนาเพื่อให้เกิดเมตตากรุณาอันนี้ก็เป็นกรรมฐานได้เหมือนกันแต่ว่าที่นี่นะเราก็เน้นหนักเรื่องอาการเจริญสติปัฏฐานจุดมุ่งหมายคือเพื่อเจริญสติและสร้างความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นกรรมฐาน อื่นๆที่พูดมาเมื่อสักครู่ก็มีจุดมุ่งหมายกันไปคนละแบบเช่นเพื่อทำให้เกิดศรัทธาเกิดความอบ อ, อุ่นใจเมื่อได้ระลึกถึงพระรัตนตรยัยหรือเพื่อให้เกิดความแม่ประมาทเพราะว่าได้เจอมรณะสติเกิดความรู้สึกเร่งรีบในการที่จะต้องทำความดีหรือว่าการทากรรมฐานเพื่อฝึกให้เกิดมีมเมตตากรุณานในใจ ดับความโกรธความเล่ความรุ่มร้อนความพยาบามนี่ก็ก็เป็นอีกอันหนึ่งแต่และวิธีก็มีจุดหมายต่างกันอันนี้สติปัฏฐานอย่างที่บอกไว้แล้วว่าจุดมุ่งหมายคือเพื่อเพิ่มพูนสติโดยเพาะสัมมาสติให้เกิดขึ้นแล้วก็สร้างความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวใน เรียบบทต่างๆเช่นยืนเดินนั่งนอนหรือว่าการเดินหน้าถอยหลังเหลียวหน้าแลหลังคูขาเหยียดขานะการทรงจิวรนฉนะังขาติหรือว่ า, าอุจลปัสวะพูดกินดื่มในสิ่งเหล่านี้เนี่ย มันเป็นโอกาสนะที่จะสร้างความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นและเมื่อความรู้สึกตัวเกิดขึ้นเนี่ยในอิเล็กทใดๆก็ตามเนี่ยมันจะไม่มีความรู้สึกว่าฉันทํานั่นฉันทนํานี่ความรู้สึกตัวขณะที่เดินความรู้สึกตัวในการกินการดืม่มในการนั่งเนี่ย ถ้าเป็นความสึกตัวที่แท้เนี่ยมันมันไม่มีความคิดนะว่าฉันกําลังยืนเดินนั่งนอนหรือกําลังทํานั่นทนํานี่มันมีแต่ความสึกตัวมีแต่ความรู้สึกว่ากําลังทํานั่นทนํานี่แต่ไม่ใช่มีความคิดว่าตัวฉันทํานั่นทนํานี่เวลาเดินเนี่ยนะถ้าเดินแล้วไปคิดว่าเนี่ยหรือบริกรรมว่าฉันกําลังเดินอันนี้ไม่ถูกแล้วนะ อาจจะถูกถ้าหากว่าทําเพื่อให้เกิดสมาธิแนบแน่นแต่ว่ามันไม่ใช่ความรู้สึกตัวมันอาจจะถูกสําหรับกรรมฐานแบบอื่นแต่ว่าถ้าเป็นการสร้างความรู้สึกตัวนี่มันไม่ใช่เพราะมันมีความรู้สึกตัวแล้วนี่มันจะไม่มีความคิดหรือความสําคัญมั่นหมายว่ามีกูหรือมีฉันทํานั่นทํานี้เวลานั่งถ้ารู้สึกตัว ว่านั่งเนี่ยนะมันจะไม่มีความคิดว่าฉันนั่งหรือกูนั่งกินก็เหมือนกันนะยกมือสร้างจังหวะก็เช่นเดียวกันนะแต่ว่าบางคนไม่เข้าใจก็จะไปพยายามคิดขึ้นมาแล้วว่าฉันกำลังยกมือนะฉันกำลังเดินอันนั้นเป็นความคิดนะมันไม่ใช่ความรู้สึกตัว ความรู้สึกตัวนี้มันไม่ต้องอาศัยความคิดนะอย่างที่เราได้ฟังนะที่คุณมาคงศักดิ์พูดถึงเรื่องหลวงปู่ดูลที่ท่านพูดวันนี้ยคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะตอเมื่อหยุดคิดถึงรู้นะรู้ในที่นี้นี่ที่จริงท่านหมายถึงรู้ในเรื่องไตรลักษณ์นะรู้รู้แจ่มแจ้งในสัจธรรม ต่ว่าก็มาใช้ได้กับความรู้สึกตัวหรือความรู้ตัวความรู้ตัวนี่มันไม่ได้สายการคิดนะคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ตัวนะตอนเมื่อหยุดคิดนี่แหละมันถึงจะรู้สึกตัวขึ้นมาการคิดนี่มันเป็นเรื่องของสมองส่วนความรู้สึกตัวนี่เป็นเรื่องของใจนะมันคนละส่วนกันถ้าจะคิดก็ใช้สมองแต่ถ้าจะรู้สึกตัวเราต้องใช้ใจเนะข้าไป สร้างขึ้นมาเข้าไปสัมผัสรับรู้หรือว่าสัมผัสรู้ก็ได้ก็เหมือนกับรูปเนี่ยจะเห็นก็ต้องใช้ตาจะใช้หูไม่ได้เสียงเนี่ยนะจะฟังก็ต้องใช้หูจะใช้ตารับเสียงไม่ได้นะมันคนละหน้าที่งั้นถ้าพูดถึงเรื่องความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของใจ ของจิตนะที่จะรับรู้ทําหน้าที่นี้มันไม่ใช่เรื่องของความคิดเพราะฉะนั้นคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกตัวนะจนกว่าจะหยุดคิดแล้วก็ใช้ใจสําหรับคนที่อยู่กับความคิดมาตลอดใช้ความคิดกับทุกเรื่องแม้กระทั่งเวลาปฏิบัตินะก็ยังใช้ความคิดเนี่ยก็จะยังไม่สามารถจะ เข้าถึงหรือเกิดความรู้สึกตัวได้จนกว่าจะวางมันลงซะเพราะใ น, นการปฏิบัติของรูปบัตรเทียนหรือว่าการจริสติปัฏฐานก็จะไม่มีบริกรรมแนตะ่ใดที่ต้องการให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาแต่ชาติบริกรรมก็เพราะต้องการให้จิตสงบเป็นสมาธิอันนั้นก็เลือกถึงจุดมุ่งหมายมันแตกต่างกันไปก็ไม่ผิดนะเพราะว่า อย่างที่บอกกรรมถามมีหลายวิธีมีจุดมุ่งหมายแตกต่างกันแต่ถ้าเป็นเรื่องความสึกตัวเรื่องของสติแล้วนี่มันมันไม่ต้องใช้บริกรรมแค่ใจเข้าไปรับรู้รับรู้แบบสดๆนะสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าโดยเฉพา ะ, ะการเคลื่อนไหวในแต่ละขณะแต่ละขณะที่เกิดขึ้นต่อเมื่อไม่มีความสึกตัวหรือเกิดความหลงเมื่อไหร่ ไอ้ความรู้สึกว่ามีตัวกูมันก็จะเกิดขึนนะทุกครั้งที่ตัวกูมันเกิดขึนนะหรือเกิดมีความสําคัญมันหมายว่าตัวกูเนี่ยมันแปลว่าหลงละมันแปลว่าไม่รู้สึกตัวละถ้าไม่รู้สึกตัวก็จะมีตัวกูนะแต่พอรู้สึกตัวเมื่อไหร่ไอ้ตัวกูมันหายไป ไอความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นปฏิปักษ์กับความสำคัญไม่หมายว่าตัวกูมีความรู้สึกตัวเมื่อไหร่นะตัวกูก็ดับเพราะว่าตัวกูมันเกิดจากการปรุงแต่งแล้วการปรุงแต่งเกิดขึ้นเมื่อหลงนะก็คือไม่มีสติไม่รู้ตัวนะแต่พอรู้ตัวขึ้นนะการปรุงแต่งก็หยุดดับ ความไอความรู้สึกหรือสําคัญมาหมายว่าตัวกูมก็หายไปเหมือนกับความมืดมันหายไปเมื่อเจอแสงสว่างสาดส่องเข้าไปในะเวลาเราเจริญสติเวลาเราเดินจงกลมเนี่ยนะถากว่ามันมันมีความรู้สึกว่าตัวกูตัวกูนะทำโน่นทํานี่ในแสดงว่านั่นไม่ใช่ สตตน่นไม่ใช่ความรู้สึกตัวแล้วใครที่ศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทนะก็จะเข้าใจนะโดยเพราะตอนที่ท่านว่าด้วยเรื่องเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาอ่าผัสสะก่อนผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทาน แล้วก็เกิดภพชาติตามมาไอ้ภพชาติเนี่ยนะมันไม่ใช่หมายถึงเกิดเป็นตัวเป็นตนในชาติต่อไปนะแต่ว่ามันหมายถึงความรู้สึกว่ามีตัวกูขึ้นมาไอ้คำว่าชาติเนี่ยนะคือการเกิดคําว่าชาติคือมันเกิดความรู้สึกว่าตัวกูขึ้นมาแนละ้วมันเกิดขึ้นเพราะมีอุ ป, ปทานและที่มีอุปทานก็เพราะว่ามีตัณหาและที่มีตัณหาเพราะมีเวทนา แต่ว่าเมื่อมีสตินะไม่ว่าสติในขั้นผัสสะหรือสติหลังจากที่เกิดเวทนาแล้วเนี่ยมันไม่ปรุงเป็นตัณหาตัณหาดับนะไออุปาทานพบชาติก็จะดับพูง่ายคือว่ามันไม่มีตัวกูเกิดขึ้นมาต้องเข้าใจนะว่าตัวกูเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมามันไม่ได้มีอยู่จริงนะมันไม่เหมือนกับกายกับใจนะกายกับใจนี่ของจริง แต่กายกับใจนี่ยังเกิดดับเกิดดับอยู่นั่นแหละแต่ว่าเป็นของจริงแต่ว่าไอ้ตัวกูัวนี่มันปรุงแต่งขึ้นมาเพราะหลงของจริงมันมีแค่2อย่างคือกายกับใจไอ้ตัวกูนี่ไม่ใช่ของจริงมันเป็นมายาอันนี้เวลาเราเจริญสติเนี่ยนะเมื่อเราเดินก็ตามสร้างจังหวะก็ตามเนี่ยถ้ามีสติมันก็จะเห็นนะว่าที่เดินเนี่ยนะ กายเนี่ยมันเดินหรือว่าที่ยกมือเนี่ยนะกายมันยกหรือรูปยกมือมันไม่ใช่ฉันเดินหรือกูเดินมันไม่ได้ฉันยกหรือกูยกมือเวลาเกิดเวทนานะก็จะเห็นเวทนาเกิดขึ้นเช่นความปวดความเมื่อยแต่ไม่ใช่มีความสำคัญมั่นหมายหรือความคิดว่า ฉันปวดฉันเมื่อยไอ้ที่มีความรู้สึกว่าฉันปวดฉันเมื่อนี่นั่นพะไม่มีสตินั่นพอไม่รู้สึกตัวแล้วถ้ามีสติมันจะเห็นเวทนาคือความปวดความเมื่อยแต่ไม่มีผู้ปวดผู้เมื่อยเวลาเกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นมาคิดโน่นคิดนี่หรืออารมณ์เกิดขึ้นความโกรธความเศร้าวความเสียใจถ้ามีสติมันก็จะเห็นความโกรธเกิดขึ้นในใจ แต่ถ้าไม่มีสติเมื่อไหร่มันก็เกิดความรู้สึกว่าฉันโกรธฉันปวดฉันอาฉันโกรธฉันเศร้าฉันเสียใจฉันคิดรวมทั้งฉันเครียดให้ตัวฉันมันเกิดขึ้นตัวฉันมันรู้สึกว่าเป็นเจ้าของเจ้าของนั่นนี่หรือทํานั่นทํานี่ก็ในยามที่ไม่มีสตินี่ยงัเวลาเราเดินจงกรมเนี่ยช่วงที่เราไม่มีสติเนี่ยนะมันก็จะก็จะไปคิดว่าเนี่ยฉันเดินฉันยกมือแต่พอมีสติปุ๊บ ให้ความคิดปรุงแต่งว่าฉันทำโน่นฉันทานี่มันก็หายไปมันมีแต่รูปที่กำลังเดินกายที่กาลังนั่งหรือว่าใจที่คิดนะหรือมีความคิดเกิดขึ้นที่ใจมันจะไม่มีตัวฉันว่าเดินว่าคิดว่ากโกรธว่าเครียดนะ ความแตกต่างตรงนี้นะเห็นเนี่ยกับเป็นมันต่างกันตรงนี้นะถ้าเห็นเนี่ยมันไม่มันไม่เป็นเป็นเนี่ยมันหมายความว่ามันมีตัวกูขึ้นมาแล้วเป็นผู้ปวดผู้เมือ่อยผู้คิดผู้โกรธผู้เครียดแต่ถ้ามีสติปุ๊บ น, นะมันเห็นแต่ความปวดความเมื่อยมันเห็นแต่ความโกรธมันเห็นความเครียดนะเพันสติเนี่ยนะมันหลวงพ่อคำเห็นท่าน ใช้คำว่ามันเป็นตัวถลุง ต, ตัวถลุงถลุงนี่เราใช้กับแร่นะขี้แร่นี่เราถลุงจนมีจนแยกแร่ออกมาเป็นส่วนๆสติมันถลุงไอตัวความสำคัญมันหมายว่าตัวกูเนี่ยจนเหลือแต่ลูกกับนามกายกับใจ ตอนไม่มีสติก็มีแต่ตัวกูอยู่นั่นแหละแต่พอมีสติปุ๊บมันเหลือแต่รูป ก, กับนามกายกับใจตัวกูมันหายไปไอ้ที่พูดอย่างนี้ว่าตัวกูหายไปที่จริงก็ไม่ถูกนะต้องพูดวา่าความปรุงแต่งว่ามีตัวกูมันหายไปเพราะที่จริงไม่มีตัวกูตั้งแต่แรกแล้วมันมีดับกายกับใจมีแต่รูป ก, กับนามแค่นั้นเองและในสติปัฏฐานเนี่ยนะเวลา เราก็ได้สาธยายกันอยู่บ่อยๆกายานุปัสนาสติปัฏฐานเห็นกายในกายความหมายหนึ่งก็คือเห็นกายว่าเป็นกายไม่ใช่เห็นกายว่าเป็นเราหรือเห็นกายว่าเป็นของเราเห็นเวทนาในเวทนาก็ความหมายหนึ่งก็คือว่าเห็นเวทนาว่าเป็นเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เห็นจิตในจิตก็คือเห็นจิตว่าเป็นจิตไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเห็นธรรมในธรรมก็เหมือนกันถ้ามีสติมันจะเห็นว่ากายเป็นกายไม่ใช่เราเวทนาเป็นเวทนาไม่ใช่เราจิตเป็นจิตไม่ใช่เราแต่ถ้าไม่มีสติเมื่อไหร่นะมันก็ไปปรุงว่าเนี่ยกายเป็นเราเวทนาเป็นเราจิตเป็นเราจิตในที่นี่เนี่ยหมาถึงความคิดหรืออารมณ์ ที่มันปรุงแต่งซึ่งบางทีก็เรียกว่าจิตสังขารรวมทั้งราคาโทสะนะนั่นคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะมีความรู้สึกสําคัญมั่นหมายว่ามีกูของกูตลอดเวลานะเวลาที่เรามีสติเมื่อไหร่นะไอ้ตัวกู ก, ก็หายไปหรือความสําคัญมั่นหมายว่าตัวกูก็หายไป ในพเพราะฉะนั้นกิเลสมก็หายไปด้วยเอาคนเราถ้ามีกิเลสอยู่ตลอดเวลานี้มันบ้าแล้วนะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีกิเลสตลอดเวลามันมีภาวะที่จิตว่างอาหลวงหลวงพ่อพุทธทาสใช้ว่าจิตว่างเป็นครั้งคราวไม่ได้ตลอดเวลาจิตว่างนี่หมายถึงว่าว่างจากความสําคัญมันหมายว่าเป็นตัวตนนะ จะเรียกว่างจากกิเลส ก, ก็ได้ว่างจากอัตตาตัวตนก็ไดนะ้คนเรามันจะมีภาวะที่จิตว่างจากกิเลสจากอัตาตาตัวตนอยู่ตอนที่มีความรู้สึกตัวตอนที่มีสตินะแต่คนทั่วไปก็ไม่ใช่ว่าจะมีสติต่อเนื่องหรือจะมีความรู้สึกตัวต่อเนื่องเพราะฉะนั้นอาจจะเรียกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ไม่รู้สึกตัวมากกว่าส่วนใหญ่จะหลงมากกว่าก็จะมีตัวกูขึ้นมามีของกูขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยทุกข์ได้ง่ายมีอะไรมากระทบตัวกูอยู่ตลอดเวลาก็ทําให้ทุกข์นะอยู่บ่อยๆนะทุกทั้งวันก็ได้แต่เนื่องจากไม่ได้หลงเช่นนี้ไปตลอดมันก็เลยพอหลอดพ้นจากความบ้าหรือความเครียดหนักๆ น, นะ แต่สิงที่พอเรามาปฏิบัติแล้วเนี่ยนะเรามาเจริญสติเรามาสร้างความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็จะทำให้ช่องว่างทาให้จิตว่างเนี่ยมันมันต่อเนื่องนะต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ก็เหมือนกับว่าเป็นการเติมช่องว่างให้กับจิตทำให้อ่ไม่มีกิเลสเข้ามาแทรกหรือมาครอบงำกำกับอยู่ตลอดเวลา ก็ทำให้ใจโปร่งเบานะใจไม่ทุกไป อ, อย่างต่อนเนื่องเท่าไหร่การความสึกตัวทำให้ใจเบาเพราะว่าในภาวะนั้นเนี่ยมันไม่มีความสำคัญม่หมายว่าตัวกูหรือไปแ บ, บปไปยึดอะไรต่างๆเป็นของกูนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เนี่ยนะั่นก็จะเห็นได้แล้วว่าความสึกตัวเนี่ย การมีตัวกูนี่มันมันตรงข้ามกันรู้สึกตัวเมื่อไหร่ไอ้ตัวกูก็หายไปแต่พอไม่รู้สึกตัวเมื่อไหร่ตัวกูก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็มาครองจิตครองใจของเราถ้าไม่ให้ตัวกูมันครองจิตครองใจก็ต้องสร้างสติสร้างความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสติและความรู้สึกตัวนี่เป็นตัวสลายอัตตาตัวตนนะอันนี้พูดแบบง่าย เพราะจริงๆตัวตนไม่มีตั้งแต่แรกแล้วมันมีแต่ความยึดมั่นถือมั่นหรือความสำคัญมาหมายไม่มีตัวกูเคยรลายฟังแล้วถึงเรื่องทันภายิยะนะซึ่งตามหาพระพุทธเจ้าเพราะว่าอยากจะพบพระอรหันต์ที่แท้ก็เดินนะเป็นวันเป็นคืนไม่ได้หยุดเพื่อมายัง เชตวันก็มาถึงขณะที่พูะเจ้ากำลังเสร็จออกบินทบาทท่านพยายามนิไฟแรงมากมาถึงปุ๊บนี้ก็ไม่รออิระไข่อิลมนะอาละทนาให้พู้เจ้าแสดงธรรมเดี๋ยวนั้นเลยท่านั้งที่ยังไม่หายเหนื่อยเลยพระเจ้าก็ไม่แสดงธรรมเพราะทรงเห็นว่าเนี่ย จิตของท่านภะยะยังไม่พร้อมอย่างร้อนเร่าอยากรู้ธรรมไอ้ความร้อนเร่าอยากรู้ธรรมนี่มันก็ไม่ใช่ดีนะสำห ร, รับการปฏิบัติสําห ร, รับการฟังธรรมต่อเมื่อจิตของท่านพะยะ น, นี่ค่อยๆสงบลงหลังจากที่พระเจ้าปฏิเสธถึง3ามครั้งพระองค์ก็แสดงธรรมแสดงธรรมกลางถนนเลยนะว่าเนี่ย เมื่อเห็นรูปก็สักต่วะเห็นรูปนะเมื่อได้ยินเสียงก็สักต่วะได้ยินเสียงเมื่อรู้อารมณ์ก็สักต่ว่ารู้อารมณ์นะเมื่อรู้แจ้งในธรรมอารมณ์ก็สักต่ว่ารู้แจ้งในธรรมอารมณ์เมื่อนั้นตัวเธอจะไม่มีไม่มีทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าและระหว่างโลกทั้งสองเมื่อนั้นแหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์ท่านพยายานี้ได้ฟังก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทันทีเลย ได้ชื่อว่าเป็นเอตทักคะด้านตัดสรู้เร็วแต่ว่าไม่ทันได้บวชนะเพราะว่าพอออกไปจากที่นั้นจะไปหาเครื่องบริการก็โดนวัวขิดตายแต่ว่าคำค ำ, คำสอนของพระอาจารย์นี่สําคัญมากนะเพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าสอนก็คือเรื่องสตินั่นแหละเมื่อเห็นสักตะวัเห็นเมื่อได้ยินสักตะวะได้ยินนะเมื่อรู้อารมณ์ก็สักตะวะรู้อารมณ์ เมื่อรับรู้ธรรมารมณ์ก็สัจ่รรมรู้รับรู้ธรรมารมณ์อันนี้ก็คือสติเมื่อมีสติเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อมีสติเวลาเกิดพัสดะอะไรเกิดขึ้นตามมาก็ไม่มีตัวเธอไม่มีตัวเธอคือไม่มีการปรุงแต่งว่าตัวกูนะทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและระหว่างโลกทั้งสองเมื่อไม่มีตัวกูนั่นแหะคือที่สุดแห่งทุกข์ นสติเนี่ยมันเป็นอุบายมันเป็นมรรควิธีในการสลายตัวตนนะเช่นเดียวกับความรู้สึกตัวเพราะสติคุยความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวนี้มันเป็นพี่น้องเป็นฝาแฝดกันสติที่ว่าในความระลึกได้นี่ก็ระลึกได้เรื่องกายเรื่องใจนะไม่ลืมกายไม่ลืมใจเมื่อไม่ลืมกายไม่ลืมใจนะ ไม่หลงไปในอดีตอนาคตจิต ก, ก็มาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเนื้อกับตัวความสึกตัวก็เกิดขึ้นนะไม่มีความสึกตัวเกิดขึ้นในการปรุงแต่งว่าตัวกูมันก็ดับไปนะมันก็แปลกดีนะพอรู้สึกตัวก็ไม่มีตัวกูแต่พอไม่รู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็มีตัวกูขึ้นมานะให้การให้การเจริญสติของเรานี่ก็ให้ลองพิจารณาดูนะว่า ให้เวลาเราทํานี่มันไปปรุงตัวกลือขึ้นมาหรือเปล่าอย่างเช่นการที่ไปคิดเอาว่าฉันเดินฉันเดินฉันนั่งฉันนั่งคอยคิดอยู่ตลอดเวลาสมมติว่าเนี่ยคือการเจริญสติสมมับว่าทําอย่างเงี้ยจะรู้สึกตัวอันนั้นไม่ใช่นะอย่างที่บอกไว้แล้วว่าในการสร้างความรู้สึกตัวมันไม่ต้องใช้ความคิดมันใช้แด้แค่จิตนะให้จิตมันอยู่กับปัจจุบันจิตมันอยู่กับเนื้อกระตัวความรู้สึกตัวเกิดขึ้นเอง เมื่อความสึกตัวเกิดขึ้นทำอะไรใจก็รู้นะเช่นหายใจเข้าออกยกมือสร้างจังหวะเดินหรือว่าขยับนิ้วหรือว่าเกิด น, น้ำลายกระพริบตานะที่เรียกบทน้อยใหญ่เหล่านี้เนี่ยใจจะรู้สึกได้เมื่อใจอยู่กับเนื้อกับตัว เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาได้ที่รู้สึกตัวได้ใจมีอยู่กับเนื้กับตัวได้เพราะว่าใจไม่หลงไปอดีตอนาคตไม่หลุดออกไปนอกตัวได้ที่สามเช่นนั้นได้ก็เพราะมีสตินะไม่ลืมกายไม่ลืมใจหรือถึงจะเผลอไปออกไปอดีตไปอนาคตจมอยู่ในอารมณ์รู้สึกตัวรู้ตัวขึ้นมารละลึกได้ขึ้นมารละลึกได้ขึ้นมาก็ดึงจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวความรู้สึกตัวเกิดขึ้น ไม่มีความสึกตัวเกิดขึ้นในความสำคัญว่าตัวกูก็หายไปชาติภพเนี่ยค ว, ว่าชาติภพในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่ามันขาดตอนนะวงจรมันขาดตอนนะก็คือว่าพอเกิดผัสาแล้วมีเวทนาปุ๊บนะหรือแม่มีตัณหาก็ตามมีสติเข้ามาตัดวงจรนั้นเมื่อมีสติวงจรก็ขาด ไม่ต่อเนื่องมันก็ไม่ปรุงเป็นอุปท า, านภพชาติแล้วก็ชรามรณะแต่ถ้าไม่มีสตินะมันก็ไปจนสุดสายแผัสสะเวทนาตันหาอุปาทานภพชาติชรามรณะอุปท า, านความยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นอยากจะเป็นดาราอยากจะเป็นนักร้องก็ทำให้เกิดความ อ่าดิ้นร น, นขนขไคว่อาจจะซ้อมอาจจะคอยเกาะติดดาราคอยเรียนแบบนะไอการกระทำเช่นนี้การขนขวายแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่ากรรมมาพบเป็นพบชนิดหนึ่งที่เรากรรมมาพบก็คือกรรมที่ทําให้เกิดพบเมื่อขนขคว่อย่างนี้อุตส่าห์ไปฝึกไปฝึกไปซ้อมไปร้องคอยติดตามดาราเรียนแบบเขา ไอ้ความเป็นดาราความเป็นนักร้องค่อยๆเกิดขึ้นสภาวะความเป็นนักร้องก็เกิดขึ้นเขาเรียกวุปปัติภพไอ้ความเป็นนักร้องพอเกิดขึ้นก็เกิดความสําคัญมั่หมายล้วทีนี้แล้วฉันเป็นนักร้องอันนี้ชาติเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ชารามาร้อหน้าก็ตามมาเพราะว่าเกิดแล้วมันต้องมีเสื่อมต้องมีดับไปมันเกิดขึ้นในช่วงขนาดจิตแล้วอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่นาน รู้สึกว่าฉันเป็นนักร้องแต่พอไปไปออกรายการหรือไปซ้อมเอาไปแสดงไปคัดเลือกบอกว่าตกนะโอ้เสียใจเสียความรู้สึกแลว้วเนี่ยฉันไม่ใช่นักร้องแล้วฉันเป็นนักร้องไม่ได้อชราโมรณะแล้วเนี่ยแล้วตามมปด้วยทุกโธมนัดนะความเศร้าโศกเสียใจไอความทุกเนี่ยที่เรียกว่าทุกใจเนี่ยอย่างที่พูดเมื่อเช้าเนี่ยมันเกิดขึ้น เมื่อมีชร า, ามรณะและชร า, ามรณะเกิดขึ้นได้เมื่อมีภพชาติก็คือว่างสึ่งตัวกูพูดสั้นๆคือว่าไอ้ความทุกข์เกิดขึ้นได้เมื่อมีตัวกูแต่พอไม่มีตัวกูแล้วความทุกข์มันก็ไม่เกิดขึ้นทุกใจนะไอ้ทุกข์กายก็ยังเกิดขึ้นอยู่เพราะว่าร่างกา ย, ยาเรามันมันตกอยู่ภายใต้ความเสื่อมไม่ว่าจะเป็นปุตุชนหรือพระอรหันต์ก็ต้องเสื่อมทั้งนั้นต้องเจ็บต้องป่วยต้องปวดต้องเมื่อย ไม่มีอะไรกินก็หิวนะนั่งนานๆก็ปวดหรือว่าเจ็บป่วยนะก็เกิดทุกขเวทนาแต่ว่าใจไม่ทุกข์ด้วยนะเพราะว่าเดยเพราะเมื่ออความรู้สึกว่าตัวกูมันไม่มีนะมันก็เป็นแต่เป็นเรื่องของกายนะกายป่วยแต่ว่าฉันไม่ป่วยด้วยกายปวดฉันไม่ไ ม, ไม่ปวดด้วยกายเจ็บฉันไม่เจ็บด้วยนะ ท้องหิวแต่ว่าฉันไม่ได้รู้สึกหิวด้วยนะงั้นถ้าเกิดไม่อยากทุกข์นะไม่อยากทุกทนมานนานนี่ก็ต้องจัดการกับไอความรู้สึกว่าตัวกูเนี่ยนะซึ่งวิธีที่สําคัญก็คือการสร้างสติความเอาความรู้สึกตัวขึ้นมานะมาแทนที่ความหลงรู้สึกตัวเมื่อไหร่ความหลงก็หายไป หรือพอมีสติเมื่อไหร่ไอ้วงจรปฏิจจสมุปบาทมันก็ขาดตอนมันไม่มันไปไม่ถึงมันไม่ต่อไปถึงอุปทานภพชาติฉลามรณะเพราะฉะนั้นทุกทรม น, นัดก็ไม่เกิดขึ้นนะ้ถ้าเราเข้าใจปฏิจจสมุปบาทในแง่นี้เนี่ยมันก็จะเกิดเกิดทิศทางในการปฏิบตัติก็ทำให้มีความมั่นใจในการปฏิบตัติแล้วก็ไม่ไม่ไม่หลงทางนะ ในการปฏิบัติด้วยเอาล่ะคำนี้ก็พูดกันท่านนี้